ขอนอบนอมพระรถนาตยขอการหลงพระกรมพระเทรานุเถระเพื่อทำให้ทุกท่านนะจะเดินในธรรมแม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกคนเมืนะ่อนะนะกี้เราก็ได้สวดนะพนะระพุทธเจ้าบอกว่านะกัญญาณมิตรนะนะเป็นทั้งหมด ขพรหมจรรย์ทีเดียวพรหมจรรย์คืออะไรนะพรหมจรรย์ก็คือชีวิตที่ประเสริฐชีวิตที่ประเสริฐคืออะไรก็คือชีวิตที่ดีงามนั่นแหละนประเสริฐก็คือความดีงามแล้วมันดีงามได้อย่างไงล่ะก็ดีงามด้วยการที่เราเราทําความดีนะหรือว่าดีงามด้วยการที่เรา ไม่ทำสิ่งที่มันไม่ดีนะหรือว่าถ้าดีงามยี่ไปกว่า น, นั้นก็คือว่าจิตใจของเราดีงามจิตใจบริสุทธินะ์จิตใจสะอาดอันนี้คือชีวิตพรห ม, มจรรย์คือชีวิตที่ประเสริฐชีวิตที่ดีงามชีวิตทีนะ่ไม่ทำความไม่ดีก็คือชีวิตที่มีศีล เห็นคือการไม่ทำความชั่วนะชีวิตที่ทำความดีก็คือการทำกุศลการทำบุญนะการจะเดินกุศลธรรมทุกๆุอย่างนะหรือชีวิตที่บริสุดธก็คือว่าชีวิตทีนะ่เรียกว่าเห็นธรรมะเห็นธรรมชาติแท้จริงแล้วจิตนะใจก็เข้าถึงความบริสุทธิ์เข้าถึงความหมดจดนะ หรือจะเรียกว่าเป็นชีวิตที่ไม่ทุกข์ก็ได้นะหรือเป็นชีวิตที่เรียกว่ามีความสุขนะที่แท้จริงอันนี้แหละคือชีวิตที่มีพรห ม, มจรรย์นะเป็นชีวิตพรห ม, มจรรยนะ์บางคนก็อาศัยการการถือบวชนะเรียกว่าเป็นการถือถือเพศพรห ม, มจรรย์เหมือนกันนะการที่หลายท่านนะออกบวชนะจากบ้านจากกรเดือนนะ วางการงานวางครอบครัวนะวางภาระทางโลกนะเพื่อออกบวชนะอันนี้ก็คือการที่เรียกว่าเรามาประพฤติพรห ม, มจรรย์เพราะนะบางทีชีวิตค า, าวาสเนี่ยพค้ชจ้ท่านบอกว่าบางทีมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนอกโลกนะนะี่โนนะ่เป็นของต่ำทามนะโบตุชนิโกนะเป็นของ ชาวบ้านบางทีชีวิตที่อไปข้องแวะกับเรื่องอที่เป็นของของที่มันปสกปรกบ้างของที่มันเป็นของชาวบ้านของที่เป็นของพ ช, ชนชั้นปุถุชนอพวกนี้ก็ทําให้จิตใจมันตกต่ําึ้นไปนนของพวกนี้คืออะไรเอของพวกนี้ก็คือการที่เราหมกมุ่นอยู่ในกาลมคุณนั่นแหละ บอกมุ่นอยูใ่ใแต่การหาหาวัตถนะุมาปนเปื้อเพ่งความสุขคิดนะนะที่จะหาวัตถุเป็นเงินเป็นทองเป็นสิ่งของเป็นบุคคลเป็นชื่อเสียงเกียรติยศนะเป็นความมั่งคัง่งทางวัตถุหรือทางบริวารอันนี้แหละเป็นของชาวบ้านจิตนะใจแต่ละวันก็คิด แต่เรื่องพวกนี้นหรือว่าถ้ามันหายไปก็เกิดความเสียใจอันนี้เป็นของชาวบ้านจริงๆใช่ไหมแต่ถ้ามันกระทำไปเพียงเพื่อความเลี้ยงชีตเลี้ยงครอบครัวให้พอได้อยู่ได้อันนี้มันก็เป็นธรรมชาตินะไม่ได้ผิดไม่ได้เสียหายแต่ถ้าเราทำไปด้วยความไม่รู้เท่าทันนะ คนหมกมุ่นแต่กับเรื่องนี้นะมันก็ทำให้เราก็เสียเสียชาติเกิดเหมือนกันนอะถ้าคนเราหมกมุ่นแต่กับเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องมีความสัมพันธนะ์ทางกรรมคุณบ้างหรือว่าเนะี่ยพวกนี้มันจะทำให้ชีวิตของเรามันก็ตายไปศูนย์เฉยในแต่ละภพแต่ละชาตินะมันก็ไม่ต่างจากสัตว์แต่ละชาตนะิหรือจะเรียกว่าชีวิตที่เป็นแบบชาวบ้างก็คือ เป็นชีวิตที่ไม่ต่างจากจากสัตว์เดรัฉานทั่วไปนะที่เขาเกิดมากน เ, าเพปลี่ยนแค่ดำรงชีวิตยอยู่ไปวันวันหรือว่าหาเลี้ยงครอบครัวไปวันวันแล้วก็บางทีก็มีปัญหากันเพราะว่าอะไรเพราะแย่งอาหารมีปัญหากันเพราะแย่งคนรักนะมีปัญหากันเพราะว่าแย่งความเป็นใหญ่ อันเนี้ยเหมือนถ้าเราสังเกตดูชีวิตของสัตว์นะสัตว์เขาทะเลาะกันเพราะว่าอะไรนะแย่งแย่งอาหารบ้างแย่งความเป็นจ่าฝูงบ้างเนะ่ยก็ตัดกันฆ่ากันนะอันนี้แหละชีวิตที่เรียกว่านะ่ยไม่ใช่ชีวิตพรหมจรรย์นเ่ยนะนะเป็นชีวิตของชาวบ้านแต่การที่เราออกบวชก็คือการที่เรานะมาประพฤติ พ, พรหมจรรย์ก็คือการที่ เรามาทําชีวิตให้เรียกว่าออกจากการมนะออกจากการมมรรคนละการที่เราสละนะมาออกหัวชหรมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราออกจากการมมรรคุลอย่างไรนะก็ะคือเรามามีศีลที่บริสุทธิ์ขึ้นศีลนะบางทีคารวะญาติโ ย, ายามเนี่ยมันกระดังมันพ้อยนะมันได้ง่ายนะดามพ้อยได้ง่ายแต่การที่เรามาประพฤติ นะเป็นพิสูจเป็นหรือเป็นแม่ชีหรือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่รักษาสินนะสิลในที่นี้ไม่จําเป็นต้องซึมสินสองร้อยยี่สิบเจดข้อนะแม้แต่เพียงสินห้าหรือสินแปดเนี่ยก็สามารถประพฤตนะิประพฤติชีวิต ท, ที่เป็นพรหมจรรย์ได้เช่นเดียวกันถ้าเรามีสินที่เรียกว่าบริสุทธินะ์เป็นสินที่เรียกว่าตายหรือว่าวาจาเนี่ยบริสุทธิ์นะ นี่เราก็มีความบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาแล้วนะเป็นการรักษาพรหมจรรย์นะกายวาจารเรียบร้อยกายวาจาไม่ทําผิดนะมันก็จะส่งผลให้จิตใจนะก็เป็นพรหมจรรย์ขึ้นไปจิตใจเนะี่ยถ้าถ้าถ้าเราทําความไม่ดีถ้าเราทําผิดศีลเนนะี่ยจิตใจมันก็จะ เรียกว่าเกิดความไม่สบายใจนะก็เกิดความคิดพะวงถึงสิ่งที่เราทำผิดสิ่งที่ทำไม่ดีนะกินบางทีก็กินไม่ค่อยได้นอนบางทีก็นอนไม่หลับนะจิตใจมันก็นี่แหละมันก็เรียกว่าหมกมุ่นอยู่ในความผิดที่ตัวเองกระทำนะไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้หรือถ้าเป็นคนอื่นกะทากับเราเอง เราก็ไม่สามารถให้อภัยกับคนอื่นได้นะจิตใจ้็เกี่ยวข้องกับพวก น, นี้ยมันก็เกิดความคิดที่ไม่ดีก็เกิดความไม่สบายใจมันก็ไม่เกิดความสงบนะเมื่อศีลมันไม่ดีแบบนี้ละจิตมันก็ไม่สงบจิตมันไม่สงบจิตก็คือจิตมันไม่เป็นสมาธินะจิตมันฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านดำคลานใจนะคิดถึงจะหมกมุ่นคลุ้มคิดในเรื่องที่ แต่เองทําให้ดีหรือบางทีก็ฟุ้งซ้านลาพานใจบกมุ่นคุ้นคิดนะกับเรื่องที่ไม่ควรคิดนอะเช่นบางทีเราออกบัวแล้วก็บกมุ่นคุ้นคิดแต่เรื่องทางโลกนะพูดจากันแต่เรื่องทางโลกนะดี๋ยว่าคิดถึงแต่เรื่องนะอยากจะได้อยากจะเสพอะไรอันนี้เรื่องพวกนี้ทําให้จิตของเรามันไม่ไมสงบนะ มันไม่สงบไม่เป็นสมาธินจิตไม่ตั้งมั่นก็ได้เมื่อจิตไม่สงบไม่เป็นสมาธิไม่ตั้งมั่นก็ยากที่จะเกิดปัญญาเพราะอะไรจิตมันไม่มันไม่มีกําลังจิตมันไม่มีสติมันก็ย่อมไม่เกิดปัญญาอยู่แล้วอันเนี้ยความเสียหายของการที่เรานไม่สามารถรักษาชีวิตพรหมจันย์ได้มันก็ทําให้ศีลสมาธิปัญญา มันก็ไม่เจริญงอกงามขึ้นนะแต่ถ้าเราตั้งใจที่จะรักษาพรห ม, มจรรย์อย่างดีนะไม่ว่ า, าจะเป็นพระเป็นแม่ชีหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนะี่ยการที่เรามีสตินะคอยรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเนี่ยก็ชื่อว่าเรามีสินแะล้วกายวาจาเรียบร้อยก็คนะือมีสติในการลุกขึ้น ในการนั่งลงในการกินนะในการคลองผ้านะในการพูดจาในการเกี่ยวข้องกับผู้คนต่างๆนี่นแหละเรื่องราวของศีลต่างๆก็คือการบัญญัติเรื่องพวกนี้แหละเรื่องที่เราเกี่ยวข้องกับตัวของเราเองแล้วก็เรื่องที่เราเกี่ยวข้องกับผู้อื่นนะทำอย่างไรถึงจะทำให้ตัวเราเองไม่เดือดร้อน ทำอย่างไรถึงจะทําให้คนอื่นไม่เดือดร้อนนั่นแหละนี่ก็คือสินนะเราไม่ไปฆ่าสัตว์เราไม่ปไมปรักทรัพย์ไม่ไปนะเป็นชู้นะหรือว่าไม่ไปหมกมุ่นคุ้นคิดแต่เรื่องนะเรื่องที่เป็นเรื่องการอารมณ์ไอ้พวกนี้ยก็ทําให้จิตใจเรามีสินแล้วนะถ้าเราโกงหกถ้าเราพูดเพืเจจิตใจก็เกิดความไม่สบายนะ เราดื่มสซดาเราเสกฟองเสดติดนะเรียกว่าสติสัมปชัญญะก็หายไปเมื่อสินด่างพ้อยพรห ม, มจรรย์ก็พลอยด่างพ้อยไปนะเราจะทําอะไรเราถึงจะทําให้เรามีสินไม่ด่างพ้อยก็คือความตั้งใจนะเราต้องมีความตั้งใจที่จะรักษาศินนะตั้งใจที่จะรักษาสินให้มันไม่ด่างพ้อยนะเพราะถ้าเราไม่มีความตั้งใจเนะี่ยมันจะมันจะเกิดนะ ความเรียกว่าโดนกิเลสเขาร่าไปหรือเดินความเคยชินนะต่างๆเนี่ยเขาพาไปนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความตั้งใจนะในเบื้องต้นนะตั้งใจนะในช่วงที่เราได้มาบวชในตรงนี้หรือมาปฏิบัติธรรมในตรงนี้เนะี่ยเราต้องรักษาศีล น, นะให้มันไม่ด่างพร้อยนะแต่แน่นอนถ้าบางครั้งมันเกิดความทั้งเผลอไปนะโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะ เพราะไม่รู้ก็อาจจะทำผิดนะหรือบางทีเพราะขาดสตินะก็อาจจะทำผิดไปนะเราก็สามารถเรียกว่าตั้งใจใหม่ได้นะการตั้งใจใหม่เนี่ยเรียกว่าเป็นการนะสมาทานขึ้นด้วยตัวของเราเองนะสินเนี่ยไม่จำเป็นต้องต้องขอจากพระนะหรือไม่จาเป็นต้องเรียกว่าว่าตามพระเท่านั้นแต่ถ้ามันเกิดจากการที่เราสมาทาน เนะีสมาทานก็คือการที่เราเป่งวาจาด้วยตัวเราเองคือการที่เราให้สัญญากับตัวเราเองนั่นแหละสิลนั่นก็เกิดขึ้นนะ้นะสมาธินะี่ยสมาทานขึ้นเนะี่ยสมาทานขึ้นในใจเนะีหรือถ้าสินที่สูงตรงนั้นก็คือการที่เราวิรัตเนะีเรางดเว้นได้ด้วยตัวของเราเองนะมันเข้มแข็งมันตัดได้เนี่ยมันเป็นวิรัติเนะี่ยสินเนะี่ยที่มันบริบูรณ์ขึ้นเนะ มันเป็นปกตินะเมื่อเราสามารถสมาทานได้ตัวเราเองคือมีความตั้งใจขึ้นหรือเราสามารถงดเว้นได้เด็ดขาดขึ้นเนะี่ยผิตก็เป็นปกตินะศิลก็คือความเป็นปกตินี่แหละนะศิลมาจากคำว่าเิรานะี่าคือคือก้อนหินนะที่มันหนักแน่นที่มันมั่นคงนะเปรียบเหมือนกับก้อนหินหรือว่าเปรียบเหมือนกับภูเขานะ ที่มันหนักแน่นมันมั่นคงจิตใจเนี่ยของเราก็จะเกิดความหนักแน่นมั่นคงนะที่จะไม่ทําผิดไม่ทําชั่วทางกายวาจาเนะีหรือหนักแน่นมั่นคงในการที่จะไม่คิดชั่วเนะี่ยมันมีความคิดขึ้นมาเราก็สามารถละความคิดได้นะละความคิดต่างๆที่มันไม่ดีออกไปได้จิตใจมันก็เกิดเป็นสมาธิเลนะ เมื่อเราไม่ทำผิดศีลแล้วนะจิตของเราก็มีความสงบมีความตั้งมั่นนะจิตก็ย่อมเป็นสมาธิได้ง่ายนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มนะก็มีความสบายใจนะจิตใจที่มีความสบายใจนั่นแหละนะจิตใจที่มีความสุขนั่นแหละนะจะเป็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิเกิดความสงบนะ ความสุขเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิน ะ, นะคนส่วนใหญ่มักคิดว่ามันต้องมีสมาธิมีความสงบก่อนค่อยมีความสุขแต่แท้จริงแล้วความสุขความสบาย ใ, ใจนั่นแหละมาทำให้เรามีสมาธิอมีสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นเมื่อมีสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นนะมันก็มีจิตที่มั่นคงไม่วันไหวไปกับอารมณ์ อารมณ์ทางตาเกิดขึ้นอ๋อเราก็เห็นศแต่ว่าเห็นเสียงเกิดขึ้นนะก็ได้ยินก็ศแต่ว่าได้ยินนะแม้แต่ใจคิดนึกปรุงแต่งมันก็เห็นว่าอ๋อมันก็เป็นแค่เรื่องความคิดเรื่องความปรุงแต่งของใจนะหรือเป็นเรื่องของเจตสิกนะจิตมีความมั่นคงนะมันก็จะกลายเป็นผู้เห็นนะเห็นสิ่งต่างๆนะมันเกิดขึ้น มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจิตใจไม่หวั่นไหวนะไม่หวั่นไหวไปทางตาหัวจมูกรุ้นกายแล้วก็ใจนะหรือนะียอย่า ง, างไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์นะไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งที่มากระทบก็ได้นะเมื่อมีอารมณ์ชอบอารมณ์ชังนะพอใจไม่พอใจขึ้นนะหรืออารมณ์สุขอารมณ์ทุก็เหมือนกัน ก็เห็นนะไม่วันไหวไปกับอารมณ์นี่แหละเรียกว่าเราก็มีความมั่นคงมีสติมีปัญญาขึ้นมาเนี่ยเี่เรียกว่าเราก็มีชีวิตพรหมาจรรย์ที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อนะเราสามารถทําเช่นนี้ได้บ่อยเนี่ยจิตแต่ก่อนที่มันเคยเคยสกรปรกนะด้วยความคิดเคยสกรปรกด้วยกิเลสตัณหา ประมาณมันก็เหมือนกับผ้านะเหมือนกับผ้าที่มันเป็นผ้าคีริวนะ้วเนาะจิตของปุถุชนเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นผ้าคีริวนะ้วลโสกโปกมอมแมมนะไม่สะอาดแต่จิตของผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยเหมือนกับผ้าที่มันสะอาดนะอาจจะเป็นผ้าพระผ้าสีขาวก็ได้ที่จริงผ้าสีอะไรก็ได้นะที่มันทักอย่างสะอาดนะ แห้งเรียบร้อยแล้วนะเราเอามาใช้เอามาใส่เอามาหม่มเอามานะคุมตัวนะมันก็ไม่มีเชื้อโรคนะไม่เกิดการแพ้จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันจิตใจพอเราได้มีการตักฟอกด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานะจิตใจก็เกิดความสะอาดขึ้นมานะเกิดความสะอาด สว่างสงบขึ้นมาอันนี้แหละคือพรหมาจรรย์พ่แท้จริงทำไมพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าใครที่อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นกรัลรยาณมิตรแล้วนะก็จะทำให้ประพุทธพรหมาจรรย์ได้ถึงที่สุดนะเป็นชีวิตพรหมจรรย์ทั้งหมดเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรานะีเป็นคนที่จะเดินด้วยใจศิกษา ศีนสมาธิปัญญานี่แหล ะ, ะท่านสอนให้เราจเจริญใจสิกขาขึ้นมาพรหมาจรรย์ของเราก็บริสุทธิ์บริบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นนสามารถนเห็นความทุกข์สามารถรู้ว่าสาเหตุของความทุกข์คืออะไรสามารถดับความทุกข์ได้นชีวิตจะเดินทางอริยมรรคอันนี้แหละชีวิตพรหมจรรย์ของเราก็ธาารรมะข้ามพ้นนะ ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไปได้นะเนี่ยเนี่ยชีวิตพรหมจรรย์คือเราจะดำเนินไปเช่นนี้หรือถ้าจะพูดอีกอีกในยะหนึ่งก็คือว่าชีวิตแต่ก่อนที่มันเค ย, ม, เคยมันเคยทุกข์มากนะชีวิตที่มีพรหมจรรย์ก็คือชีวิตนะที่จเจริญได้สิ้นสมาธิ ป, ปัญญาเนั่ยแหละนะมันก็จะมีความทุกข์น้อยลงไปเือชีวิตแต่ก่อนที่ หาสุขยากเหลือเกินนะนะี่คิดหมกนุ่นพิ่มคิดก็ทุกข์ก็เสียใจเนะี่ยต่อมามันก็จะพบความสุขได้ง่ายขึ้นนะความสุขมันสามารถเกิดขึ้นได้อยู่ทุกขณะเลยนะจิตนะถ้ามันมีสติมันรู้สึกตัวในแต่ละขณะเนี่ยจิตก็พบกับความสุขความสงบแล้วนะมันถ้าเราแค่แค่พอใจในการที่เรา อยู่กับปัจจุบันนะบางทถีถ้าเราหมกมุ่นคุ้นคิดถึงเรื่องอดีตถ้าเรากังวลแต่เรื่องอนาคตเนี่ยจิตเรียกว่ามันส่งออกจิตมันส่งออกนอกนะมันก็เกิดความไม่สงบแต่ถ้าเรารู้สึกตัวในขณะที่นั่งที่ยืนที่เดินที่นอนขณะที่ทําอิริยาบถต่างๆเรามีสติรู้สึกตัวเนี่ย สังเกตได้ว่าจิตใจมันสงบจิตใจมันตั้งมั่นนจิตใจมันเป็นปกติอันนี้แต่ก็คือจิตมันก็คือจิตมันไม่ทุกข์จิตมันมีความสุขที่แท้จริงคนที่มีความสุขมีความสงบมีความตั้งมั่นเนี่ยจิตจะอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายนหรือแม้บางครั้งเราก็ไม่สามารถห้ามความคิดได้ ความคิดมันก็เป็นอนัตตานะความปรุงแต่งเป็นอนัตตาสัญญาสังขารวิญญาณแม้แต่รูปเวทนาก็ดีเป็นอนัตตาทั้งนั้นไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาได้นะมันเกิดขึ้นมามันตั้งอยู่มันดับไปนะมันเปลี่ยนแปลงนะมันควบคุมไม่ได้เราห้ามไม่ได้นะแต่เราก็จะเห็นนะ เห็นมันเป็นธรรมชาติเห็นเป็นธรรมดานะไม่ทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงของรูปนะรูปมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาชีวิตเรามีการพัดผ้าสูญเสียจากของรักจากคนรักเป็นธรรมดาชีวิตประสบกับความกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจเป็นธรรมดานะ ชีวิตไม่สามารถคาดหวังได้เป็นธรรมดาจะบอกว่าชีวิตก็คือมันดำรงอยู่ด้วยความไม่แน่นอนเนี่ยแหละนะอะไรมันก็ไม่แน่นะอะไรมันก็ไม่เที่ยงนะฝนจะตกฟ้าจะร้องมันก็ไม่แน่นะแดดจะออกหรือไม่มันก็ไม่แน่ไม่แต่จิตใจของเราเองถ้าเราคอยสังเกตจริงๆนะมันก็ไม่แน่นะเออมันหมกมุ่นคุณคิดน่ะทั้งวันทั้งคืนน่ะ มันก็ไม่แน่ไม่สามารถควบคุมได้นะเหมือนเราเห็นนะบางทีเราดูสังเกตดูคนอื่นดูเขาไม่มีความสงบดูเขาผิดปกติไปแต่คนส่วนใหญ่มักจะ ล, ลืมดูตัวเองอย่างเราสังเกตดูคนที่เราเรียกว่าเขาเป็นคนบ้านะคนบ้าเขามีพฤติกรรมอย่างไรนะ ชอบพูดคนเดียวบ้างนะส่วนใหญ่ชอบพูดคนเดียวเพรสเจอนะไม่มีคนอื่นอยู่ด้วยก็สามารถพูดเหมือนกับพูดกับคนอื่นนะชอบพูดหรือว่าไม่มีสติดูเมอเมอดูเดินก็ไม่เรียบร้อยนะแต่ลองลองลองกลับมาดูตัวเองไหมนะเรามีไหมบางทีก็พูดคนเดียวนะแต่บางทีเราอาจจะไม่พูดทางวาจา แต่จิตใจมันก็หมกมุ่นพูดกับตัวเองอยู่ตลอดเวลานะทั้งวันทั้งคืนเราก็ไม่ต่างจากคนบ้านะคนบ้าทางทางโรคนะเขาก็อาจจะมีพฤติกรรมภายนอกที่มันดูผิดปกตนะิแต่คนบ้าในใจของเราเองเนี่ยแหละก็เป็นกันทุกคนนะนะก็คือมันหมกมุ่นพุ้นคิดนะกับอารมณ์ต่างๆนะ แต่คนบ้าแบบนี้นะมันแก้ได้นะคนบ้าทางโลกเนี่ยต้องอาศัยยาของหมอแก้นะแต่การที่จิตใจของเราหมกมุ่นคุ้นคิดเนี่ยอาศัยธรรมะนะในการแก้อาศัยสติเนี่ยแหละในการที่เรียกว่ารู้ทันว่าใจมันเผลอไปคิดนะรู้ทันว่าใจมันดองไปกับอารมณ์แล้วนะเรามีสติมันก็จะดึงกลับมาเราไม่สามารถห้ามความคิดได้ก็จริงแต่เรามีสิทธ ที่จะไม่ไปตามความคิดเราไม่สามารถห้ามอารมณ์ได้ก็จริงแต่เรามีสิทธิ์ที่จะไม่ตามกับอารมณ์นั้นเช่นอารมณ์ชอบเกิดขึ้นมาเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่หลงไปกับความชอบอารมณ์ชังเกิดขึ้นมาเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ไปปรุงต่อกับอารมณ์ที่มันชังดังนั้นความคิดเกิดขึ้นมานะพยานยามีสติรู้ตัว รู้ทันนะ่ะรู้ทันว่าจิตนะมันเผลอไปคิดแล้วรู้ทันว่าจิตมันหงไปกับอารมณ์แล้วนะ่ะเมื่อมีสติอย่างแท้จริงนะอารมณ์มันจะดับขึ้นมาต่อหน้าต่อตานะบางคนเนี่โกรธขึ้นมานะ่ะพอเห็นเห็นรู้ว่าตัวจิตใจมันกําลังโกรธตื่นขึ้นมาเนะี่ยความโกรธมันหายไปทันทีนะ่ะหรือบางคนกำลังคิดขึ้นมานะ่ะพอเห็น เห็นจิตมันคิดเนี่ยความคิดมันก็ดับไปทันทีนะมันก็เกิดสตินะเกิดปัญญาตัดกิเลสตัญหาของมันได้เองนะจิตใจก็รู้เนื้อรู้ตัวของมันนะแต่ถ้าบางครั้งนะเราไม่สามารถที่จะตัดความโกรธตัดความคิดตัดอารมณ์นะเพราะว่าสตินะมันยังไม่มีกำลังพอนะก็ต้องอาศัยความตั้งใจในการกลับมานะ กลับมารู้แนวะกับสิ่งที่กำลังทําอยู่นะเรายกมือสร้าง่างหวะก็กลับมารู้นะว่ากําลังยกมืออยู่เราเดินนะเดินจังกรมก็ดีเดินบินทำบ่ายก็ดนะีพอเดินไปแล้วก็คิดไปอะก็กลับมากลับมารู้ตัวว่ากายกำลังเดินอยูนะ่ทานอาหารบางทีก็เป็นช่วงเวลาที่บกมุ่นคุ้มคิดกับเรื่องไร้สาระได้ง่าย หรือบางทีก็หมกมุ่นคุณคิดกับรสชาติของอาหารได้ง่ายก็พยายามมีสติกลับมารู้ตัวถึงการเคี้ยวนะถึงความรู้สึกถึงรสชาตินะถึงการคืนอะไรต่างๆเนะี่ยมันก็จะกลับมาได้มันทำให้เราจิตมันออกจากความคิดนะออกจากความฟุ้งซ่านความคิดเนี่ยนะนะถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับเหมือนกับฝุ่นหรือว่าคาบนะที่มันกปกปอกนะ เสื้อผ้านะของเราเองก็ดีถ้ามันโดนฝุ่นโดนไขมันโดนคราบที่สกรปรกนะเสื้อผ้ามันก็ไม่สะอาดนะจิตใจของเราก็เหมือนกันที่มันโดนคราบของความคิดโดนคราบของอารมณ์โดนความสุขความทุกข์มันมาปมซับเนะีมันมาย่ํายีเนะี่ยจิตใจก็เกิดความสกรปรกนะเรียกว่าจิตใจมัน ไม่มีผมมาจันแล้วนะการที่เรามามีสติ ค, คอยรู้ทันนี่แหละนะมันจะทำให้เป็นการชะาร้างนะให้เกิดความสะอาดขึ้นคล้ายๆเหมือนกับหลังคาต่เ น, นนะ่นะหลังคาสารนานี้ก็ดีตอนที่มันต้องผ่านหน้าหน้าหนาวนะมีฝุ่นนะผ่านหน้าร้อนนะมีแดดมีใบไม้ร่วงอะไรต่างๆเยอะแยะมากมาย หลังคาก็สกรปรกรางน้ําก็สกรปรกแต่พอมีฝนตกใหญ่ๆเกิดขึ้ น, นหลายๆครั้งฝนะก็ค่อยๆชำระความสกรปรกออกจากหลังคาฝนก็ค่อยๆชำระความสกรปรกออกไปจากรางน้ําำหลังคาก็สะอาดขึ้นรางน้ําก็สะอาดขึ้นอันนี้แหละจิตใจของเราก็เหมือนกันนะเราต้องอาศัย สติเนี่ยแหละมาคอยชำระร้างในการรู้เท่าทันเวลาเราหมกมุ่นคุ้นคิดนะพยายามมีสติในการทำในสิ่งต่างๆนะพยายามรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันนะถ้าเราทำเช่นนี้ได้เนี่ยชื่อว่าเราประพุทธพมจันทร์นะไม่ว่าเราจะเป็นพระก็ดีนะเราจะเป็นแม่ชีก็ดีหรือว่าเราจะเป็นคนะารวาสนะที่มา รักษาสินชั่วพาวหรือรักษาสินตลอดไปก็ดีนะอยากให้เราได้ได้ทาเช่นนี้นะในการที่พยายามรักษาสินนะให้ไม่ด่างไม่พ้อยนะจิตใจก็จะเกิดความสุขเกิดความสงบเกิดความตั้งมั่นขึ้นนะแล้วก็คอยมีสติมีความรู้สึกตัวในการรู้ทันว่ากายตอนนี้กาลังทำอะไรหรือว่าใจตอนนี้ มันไหลไปไหมมันเผลอไปไหมนะคอยมีสติคอยดูทันถ้าเราทำเช่นนี้ได้นั่นแหละชื่อว่าเราประพฤติพรหมจรรย์แล้วนะในภรรษานี้นะที่พวกเราได้มาอยู่ร่วมกันก็ขอให้ชีวิตพรหมจรรย์ของพวกเราทั้งหลายนั้นนะจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นเทินอปากพระกัน